วัดอินทรวิหารบางขุนพรหมเมื่อปีพุทธศักราช2468ยังไม่มีการตัดถนนผ่านหน้าวัด การคมนาคมก็เลยต้องอาศัยคลองแยกจากแม่น้ําเจ้าพระยาที่ท่ากเกษมหรือที่เรียกว่าท่าน้ํำวังหน้าเทเวศนะคะของสมเด็จกรมพระนครสวรรค์วรพินิษมาจนถึงวัดอินทระวิหารตรงหน้ากุติหลวงปู่ภูท่านพระครูธรรมานุ ก, กูลจันทเกษโรซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดอินทระวิหารแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นโรงเรียนประสาบานวัดอินทระวิหารไปแล้ว ในเวลานั้นหลวงปู่ภูท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอินทระวิหารค่ะหลวงปู่ภูองค์นี้เป็นศิษย์เอกในเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรงังสีที่วัดระฆังโคศิตารามหลวงปู่ภูเป็นพระเกจิที่เรืองเวทในทุกด้านแล้วก็มีอภิิหารนานับประการปกครองวัดอินทรวิหารให้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งพระสงฆ์องค์เนนแล้วก็ศิษย์วัดทั้งปวง แต่ว่าเวลานั้นนะคะท้ายวัดเนี่ยมีโกดังเก็บศพอยู่ก็ใช้เป็นที่เก็บศพที่ญาตินามาฝากไว้เพื่อรอการประกอบพิธีชาปนกิจศพแล้วก็มีศพติดก้นโกดังมาตั้งแต่สมัยหลวงปู่ใหญ่ซึ่งเป็นพระภิกษุพี่ชายร่วมสายโลหิตของหลวงปู่ภูที่เป็นเจ้าอาวาสวัดนะคะเหตุเพราะว่าทั้งสองศพเคยเป็นนักเลงโตที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนทั้งการปล้นการฆ่าคมคืน ในที่สุดทางการก็เลยต้องใช้มาตรการสุดท้ายคือล้อมจับแต่ว่าสองเสือรายเนี่ยสู้ตายคาอาวุธคู่กายตํารวจก็เลยต้องระดมยิงด้วยปืนยาวที่เรียกกันว่าปืนพระราม6นะคะจนถึงแก่ความตายแล้วก็เมื่อชนะสุตรพลิกศพแล้วก็มอบศพให้กับญาติญาติได้นําลงศพของเสือรายทั้งสองมาฝากไว้ที่โกดังเก็บศพท้ายวัดอินทรวิหารโดยบอกกับทางวัดนะคะว่าจะมาประกอบพิธีชาปนากิจศพในภายหลัง นับตั้งแต่นั้นมาอีก10ปีค่ะก็ไม่เคยมีวี่แววของญาติของสองนักเลงเนี่ยมาแสดงความรับผิดชอบแล้วก็เป็น1ิปีแห่งความหวาดผวาเพราะว่าผีนักเลงโตออกอารวาดกลางดึกใครที่ทำงานตอนกลางคืนหรือว่าใครที่ชอบหากินเหล้าแถวบางลำพูแถวบ้านพันถมตลาดยอด เวลากลับบ้านผ่านวัดอินทรวิหารเนี่ยมักจะเจอผีสองนักเลงโตสําแดงร่างหลอกหลอนวิ่งกันตาแหกทุกคนถึงบ้านเนี่ยก็เรียกว่าจับไข้หัวโกรนกันเลยทีเดียวเดือดร้อนถึงหลวงปูป่ภู้ค่ะต้องมารดน้ำมนต์ปัดรังควานไล่วิ ญ, ญญาณร้ายออกจากร่างของคนที่ถูกผีสองอันธพาล์นี่หลอกหลอน บรรดาชาวบ้านก็มักจะมาในมัสการหลวงปู่ภูเพื่อขอร้องให้ท่านไปปราบผีสองอันธพาลก็บอกหลวงปู่เจ้าขาหลวงปู่ครับกว่า10ปีที่พวกเราต้องถูกผีร้ายในโกดังของทางวัดหลอกหลอนจนพอคำลงผู้คนก็ไม่กล้าโผล่หัวออกจากบ้านทำมาหากินไม่ค่อยสะดวกหลวงปู่ช่วยจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งกับไอ้ผีสองตัวนั่นพวกเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุข หลวงปู่ก็บอกว่าเอาเถอะรอมาหลายปีแล้วปีนี้หากไม่มีญาติโกโหติกาของเจ้าผีอันธพาลเนี่ยมารับศพไปประกอบพิธีเดี๋ยวอาตมาจะจัดการให้เรียบร้อยจะไม่ยอมให้ผีอาศัยวัดก่อความเดือดร้อนให้ญาติโยมแน่นอนคืนหนึ่งค่ะหลวงปู่ผู้ก็ลงไปเดินจงกรมที่ต้นโพผีอันธพาลสองตัวเนี่ยก็มาลองดีกับหลวงปู่ผู้ท่านได้เล่าให้คุณตาทองดำคชเสนีซึ่งปัจจุบันก็ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วนะคะบอกว่า เมื่อคือนเนี้ยไอ้ดำกับไอ้แดงก็คือหัวดำหัวแดงนะะหลวงปู่ผูบอกก็คือเรียกว่าตัวหนึ่งผมมันสีแดงอีกตัวหนึ่งผมมันสีดำมันทำตัวเป็นก้อนสีดำๆวิ่งรอบต้นโพกูไม่ใส่ใจอ่ะมันขึ้นไปนั่งบนต้นโพเขย่ากิ่งใบโพให้ร่วงกระดาวกันกูเลยลำคาลก็เลยไล่ค า, าถาเชิญทาวเวสสุวรรณมาไล่พวกมันไปมันชักจะมากไปซะแล้วหลวงปู่บอกนะคะ จากนั้นอีกหลายวันต่อมาคุณตาทองดำเห็นหลวงปู่ภูนำลูกขวานลูกขวานก็คือขวานขนาดเล็กที่นักเลงทางภาคใต้ใช้เป็นอาวุธพกติดตัวค่ะเอามารับก่อนจะเอามือลูบคมเพื่อดูว่ามันคมหรือเปล่าซึ่งคุณตาทองคาก็ได้แซงถามคุณหลวงปู่ภูบอกว่าหลวงปู่รับขวานไปทำอะไรจะไปตัดไม้ที่ไหนทำไมไม่เอาขวานใหญ่ไปแทนจะได้ไม่เหนื่อยหลวงปู่ภูก็บอกว่าไอ้ตาดำ กูจะทําอะไรกูต้องบอกมึงด้วยหรอกูเสร็จงานแล้วค่อยบอกมึงก็ได้หลวงปู่ภูก็เลยนําลูกขวานเนี่ยไปวางไว้บนพานหน้าโต๊ะหมู่บูชาของท่านเป็นเวลาหลายวันนะคะตกดึกคืนหนึ่งวันวันหนึ่งนะคะหลวงปู่ผูก็มาปลุกคุณตาทองดําให้ลงจากกุฏิตามหลังของท่านไปจนถึงหน้าโกดังเก็บศพของสองผีอันธพานค่ะหลวงปู่ภูก็หันมาบอกกับคุณตาทองดําบอกว่าไอ้ตาดํามึงรอกูอยู่ข้างนอกโกดังนะ เกิดอะไรขึ้นอย่าได้เข้าไปในโกดังเป็นอันขาดเสร็จงานแล้วกูจะออกมาเองคุณตาทองดำค่ะก็เลยยืนรอให้หลวงปู่ภูเนี่ยเดินเข้าไปในโกดังหลังเข้าไปในโกดังเรียบร้อยหลวงปู่ภูก็ได้เปิดโกดังแล้วก็ลั่นดานเอาไว้ไม่นานนักนะคะคุณตาทองดำก็มองเห็นแสงเทียนวอมแวมภายใต้โกดังทุกอย่างเป็นไปท่ามกลางความเงียบค่ะ แต่ว่าในเวลาต่อมาอีกไม่นานก็เกิดเหมือนกับมีพายุพัดถลม่มโกดังจนสังกสีหลังคาโกดังนี่แทบจะปลิวขึ้นไปบนอากาศซึ่งในที่สุดลมพายุก็ได้เงียบสงบแต่ว่าแสงเทียนก็ยังคงวอมแวมอยู่เหมือนเดิมคุณลุงทองดําก็รู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนด้วยความรู้สึกเป็นห่วงหลวงปู่ด้วยนะคะกลัวว่าหลวงปู่จะเป็นอันตรายเสียงประตูโกดังเปิดค่ะร่างของหลวงปู่ผููเดินถือเทียนก้าวออกมา หันหลังกลับไปปิดประตูโกดังลั่นกุญแจพร้อมกับเดินขึ้นกุฏิเพื่อจำวัดพักผ่อนทิ้งความงุนงงไว้ให้กับคุณตาทองดำนะคะรุ่งเช้าหลังจากที่หลวงปู่ภูฉันเช้าเสร็จแล้วคุณตาทองดำก็เลยรีบเรียบเคียงๆถามหลวงปู่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในโกดังเมื่อคืนหลวงปู่ก็เลยตัดความรำคาญด้วยการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโกดังเมื่อคืนก่อนให้ฟังบอกว่า ที่หลวงปู่ภูต้องเข้าไปปราบผีสองตัวที่เป็นอันธพาลเพียงลำพังเพราะว่าไม่ต้องการให้คุณตาทองดำเนี่ยที่อาจจะมองเห็นภาพนิมิตที่ปีศาจแสดงจนเกิดอาการกลัวลนลานทำให้เสียพิธีของหลวงปูป่ภูนั่นก็หมายถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับหลวงปู่ภูแล้วก็คุณตาทองดาซึ่งหลวงปู่ภูก็ได้เล่าต่อไปค่ะคุณผู้ฟังบอกว่ากูเข้าไปข้างในโกดัง จุดเทียนปักไว้กับพื้นในโกดังไอ้ผี2ตัวนั่นตัวหนึ่งผมแดงตัวนึงผมดําหน้าตาน่ากลัวนั่งขัดสมาธิอยู่บนฝาโลงพอกูจุดไม่ขีดมันก็เป่าลมลงมาทำให้ไม้ขีดกูดับกูก็ต้องบริกรรมคาถาป้องกันจึงจุดเทียนได้คราวนี้มันแงนหน้าขึ้นไปเป่าลมใส่หลังคาก็ทําให้โกดังสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นด้วยแรงลมเหมือนที่คุณตาทองดําได้เล่าไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าเหมือนมีพายุนะคะ หลวงปู่ภูก็เลยต้องบริกรรมคาถาแล้วก็ล้วงทรายเศกศาสต์เข้าไปที่ตัวมันมันก็กระโดดขึ้นไปนั่งห้อยขาลงมาจากขื่อโกดังหลวงปู่ภูก็ซัดทรายเศกตามไปที่ขื่อค่ะโดนพวกมันอย่างจังทำให้พวกมันหงายหลังนะแต่ว่าไม่ตกจากขือ่อเพราะว่ามันเอาขาเกี่ยวขื่อไว้แล้วก็ห้อยหัวลงมาข้างหน้าหลวงปูป่ภูพร้อมกับแลบลิ้นปลิ้นตาหลอกค่ะ หลวงปู่ภูบอกกูขี้เกียจลำคาญพระยืดเยื้อไปก็เสียเวลาก็เลยลุกขึ้นล้วงหยิบเอาลูกขวานที่เสกไว้ฟันอากาศเข้าไปที่หน้างพวกมันคนละหลายทีถึงกับปล่อยขาที่เกี่ยวแล้วก็ทิ้งตัวลงมาด้านล่างกลายเป็นควันลอยหายเข้าไปในโรงหลวงปู่ภูบอกว่าใช้ลูกขวานเจาะกระโหลกหน้าผากของผีไอ้หัวดําหัวแดงเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ใช้ขวานงัดออกมาเอาดินสอดําลงอักขระสะกดไว้ชุดหนึ่งพอ พอหลวงปู่ปิดกลับเข้าไปนีฮะศพของมันก็กลายเป็นศพที่โทมจนบางส่วนเนี่ยก็เป็นผงไอ้หัวแดงก็เหมือนกันพอทําพิธีเสร็จแล้วหลวงปู่ภูก็นั่งแผ่เมตตาพวกมันทั้งสองตัวแล้วก็เดินออกมาเหมือนที่คุณตาทองดําเห็นนั่นแหละนะคะหลวงปู่ภูบอกว่าใช้ค้อนที่เตรียมไปเนี่ยดึงตะปูที่สับประเิดเขาตอกปิดฝาลงไว้แบบหยับหยับออกแล้วก็ค่อยๆ ย, ยกฝาลงออกทีละลงนะคะซึ่งลงแรกเป็นลงของไอ้หัวแดง หน้าแปลกที่มันไม่เน่าแต่ว่าแห้งลงไปหลวงปู่ก็เดินออกมาแล้วก็แผ่เมตตาพวกมัน คุณตาทองดําเล่าต่อไปค่ะว่าพอข่าวหลวงปู่สะกดผีอันธภาลแพร่ออกไปญาติโยมก็มาช่วยกันบริจาคเงินให้กับหลวงปู่ภูเพื่อเป็นค่านําศพผีอันธภาลทั้งสองไปเผาที่เมนเผาศพที่วัดที่มีเตาเผานะคะพร้อมกับลอยอัฐิในแม่น้ําเจ้าพระยาพอครบ7วันก็ได้นําข้าวหม้อแกงหม้อมาเลี้ยงพระทั้งวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผีอันธาพาลทั้งสองตัวก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีค่ะ หลวงปู่ภูให้หรื้อโกดังเก็บศพไม่ให้ใครเอาศพมาฝากไว้ท่านก็บอกว่าเป็นภาระของทางวัดเดี๋ยวซ้ำรอยผีไอ้หัวดำหัวแดงอีกคุณตาทองดำเล่าว่าได้ไปเปิดฝาโลงของไอ้หัวดำหัวแดงก่อนที่สับปะเละจะนำบรรทุกไปเผาก็ปรากฏแน่ว่าที่หน้าผากนี่มีรอยเจาะกะโหลกศีรษะแล้วก็รอยดินสอดาลงอัระจริงดังที่หลวงปู่ผูได้พูดไว้ เรื่องนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าหลวงปู่ภูท่านเป็นสิทธิเอกของเจ้าพระคุณสมเด็จจริงโดยม่ต้องสงสัยค่ะเพราะว่ามีบันทึกไว้นะคะว่าเมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์โตพรหมรังสีมีสมณศักดิ์เป็นพระธรรมกิตติครองวัดระฆังใหม่ๆก็ได้เดินทางไปที่ป่าช้าวัดมหาบุตรตำบลพระขนง ไปเลาะกระดูกหน้าผากญ้านาคพระขนงออกมาแต่ไม่ได้นําติดกลับเข้าไปแล้วก็ลงอัขระหอกลับมาให้ช่างทําเป็นปั้นเหน่งปั้นเหน่งก็คือหัวเข็มขัดรัดประคตนะคะเพื่อให้ญ้านาคเนี่ยได้มีโอกาสได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็ต่อมาก็มีบันทึกว่าสามเนรทัศสิงหเสนีซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระพุทธจารย์หม่อมเจ้าทัศเสนีวงศ์ค่ะเป็นสิทธิทอุปถากของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรห ม, มรังสี ถูกวิญญาณย่านาคมาปรากฏร่างล้อเล่นจนสามเณรทัตเนี่ยไปฟ้องเจ้าพระคุณสมเด็จกลางดึกวันรุ่งขึ้นเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์ก็เลยเรียกวิญญาณย่านาคมาปรามว่าอย่าไปยุ่งกับเนนเพราะว่ามันเป็นบาป ปั้หน่งดังกล่าวตกทอดมาอย่งอางสมเด็จในกรมมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เมื่อสิ้นชีพพี่ตักสายแล้วปั้นเหน่งชิ้นดังกล่าวก็ได้ตกทอดไปยังราชสกุลอาภากรท่านใดยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดนะคะเรื่องราวทั้งหมดเรียบเรียงจากเรื่องราวการปราบผีไอ ห, หัวดําหัวแดงที่หลวงปู่ภูหรือว่าท่านพระครูธรรมานุ ก, กูลได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโกดังเก็บศพให้คุณตาทองดําฟังโดยละเอียดนั่นเองค่ะ คุณนาพิสมัยซึ่งเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยเล็กๆอยู่ที่กลางซอยทางเข้าหมู่บ้านใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพซึ่งตัวของคุณ น, นิดนะคะเรียนอยู่ม .4 ที่เชียงใหม่เมื่อปี2543ค่ะ ตอนปิดเทอมใหญ่คุณอาพิสมัยมาขอกับแม่ว่าให้คุณนิดเนี่ยไปช่วยงานที่ร้านที่กรุงเทพสักสองเดือนแล้วก็จะสอนวิชาเสริมสวยให้ด้วยพร้อมกับให้เงินเดือนเพราะว่าแกอยากจะหาเด็กมาทำงานที่ร้านโดยใช้เวลานา น, านๆคัดเลือกให้ดีๆสักหน่อยหนึ่งเนื่องจากว่าเด็กคนเก่าเนยยกเา้าเครื่องเสียงแล้วก็ทีวีของแกไปจนเกือบหมดร้านนะคะคุณนิดก็อยากได้ค่าขนมอยากไปเที่ยวกรุงเทพ ก็เลยปรึกษากันกับคุณแม่นะคะคุณแม่ก็โอเคอนุญาตก็เลยไปทํางานอยู่ที่บ้านของคุณนาะพิสมัยค่ะซึ่งบ้านของคุณพิสมัยเนี่ยจะเป็นทาวน์เฮาส์อยู่ในหมู่บ้านนั่นเองนะคะที่บ้านของคุณนาะมีคนอยู่อาศัยทั้งหมด4คนก็จะมีคุณนาะมีสามีของแกมีน้องชายสามีแล้วก็มีเพื่อนสนิทของคุณนาะพิสมัยอีกคนหนึ่งบ้านก็ค่อนข้างเก่าแล้วก็ดูทุดโทรมมากข้างในบ้านก็ดูอับอับทึบๆชอบกล แต่ว่าคุณนิดก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามักจะตื่นแต่เช้าแล้วก็ไปที่ร้านเสริมสวยซึ่งอยู่หน้าหมู่บ้านแล้วก็ได้พบปะผู้คนมากมายได้เรียนรู้วิชาทำผมใดผมก็เลยกําลังสนุกสนานกับอะไรใหม่ๆนะคะวันอาทิตย์คุณนาก็พาไปกินอาหารแล้วก็ไปเดินดูของตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําเพราะว่าวันอาทิตย์ร้านจะเปิดแล้วก็ปิดเร็วกว่าทุกๆวัน บ่ายวันนั้นคุณนิดก็กลับมาเอาของให้คุณนาก็เจอเพื่อนคุณนากําลังซื้อส้มตําไก่ย่างจากรถเข็นที่มาจอดขายหน้าบ้านคุณนาอ้อยนะคะแกชื่ออ้อยนะเพื่อนของคุณนาพิสมัยเนี่ยบอกว่าให้รอก่อนเพราะว่าแกสั่งส้มตําข้าวเหนียวฝากไปให้กินกันที่ร้านบ้านเล็กที่นี้บวกกันแล้วได้13นะแม่ค้าส้มตำวัวคุณป้าเอ๋ยทักขึ้นมานะคะคุณนิดก็เลยหันไปดูแล้วก็คิดในใจตามไปด้วย เอ๊บ้านเลกที่67บทับแบวกกันได้ร4อยถ้าแยกเลขเดี่ยวบวกกัน18บวก4ได้ 5, 5้าบวก8ก็ได้13นาอ้อยก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่าบวกยังไงได้เลข13พร้อมกับหันไปมองบ้านเลขที่ของตัวเองอย่างไม่ใส่ใจคุณป้าแมคคาส้มตำก็บอกให้ฟังนะคะซึ่งตรงกับที่คุณนิดคิดไว้ในใจก่อนแล้วนาอ้อยก็เลยถามบอกว่าไม่ดีหรอเคยได้ยินฝรั่งเขาถือกันใช่ไหม แฟนฉันเนี่ยเป็นหมอดูเข้าศึกษาเรื่องเลขศาสตร์เขาบอกว่าเลขนี้มันมีอาถรรพ์นนะยังไงก็ไม่ดีแน่ตามหลักของจีนอ่ะเขาให้ใส่เลขอื่นต่อท้ายไปนในเลขที่บ้านแก้เคล็ดไงเดี๋ยวฉันจะถามให้เอาไหมว่าอย่างนี้ต้องใส่เลขอะไรถึงจะดีคุณป้าแม่ขาส้มตำก็แสดงถึงน้ําใจแต่ว่านะอ้อยก็ปฏิเสธไปบอกว่าไม่เป็นไรหรอกป้าถ้ามันเป็นเลขที่บ้านแบบว่าเลขที่13เลยสิอย่างเนี้ยคงไม่ดีแต่เนี่ยมันไม่ใช่ แล้วนาอ้อยก็หันไปคุยกับคนข้างบ้านอย่างไม่สนใจเรื่องเลขที่บ้านอีกนะคะคุณนี้กลับมาที่ร้านพร้อมกับเล่าเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาให้นาพี่สมัยฟัง คุณอาพิสมัยก็อึ้งไปนิดหนึ่งพร้อมกับเล่าว่าบ้านนี้เนี่ยแกเพิ่งจะเช่ามาได้4ี่หเดือนนะส่วนคอนโดที่ซื้อไว้เนี่ยตอนนี้ให้คนอื่นเช่าอยู่เดือนแรกสามีแกก็ขับรถไปชนเสียเงินซ่อมไม่คู่กรณีเกือบหมื่นแต่แกก็คิดว่าเออคงจะเป็นแค่เรื่องอุบัติเหตุเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นได้เสมอหากว่าเราประมาทต่อมาแมวของคุณนะ้าอ้อยเนี่ยก็เสียด้วยเพราะว่าถูกรถชนทั้งทั้งที่ปกตินะมันไม่ค่อยออกไปเล่นทางนอกบ้าน นาอ้อยเคยไปเป็นแม่ครัวร้านอาหารได้เงินเดือนดีพอมาอยู่บ้านนี้ไม่นานนะแกก็ไม่สบายบ่อยๆเดี๋ยวปวดหลังเดี๋ยวปวดเอวทั้งที่อายุก็ยังไม่ถึง40เลยจนเดี๋ยวนี้ต้องลาออกมาอยู่บ้านเฉยๆเพื่อรักษาตัวเงินที่เก็บไว้ก็ร่อยหรอเพราะว่าไปโรงพยาบาลทุกสัปดาห์โดยที่ยังไม่รู้ว่าป่วยเป็นอะไร คุณอาพิสมัยเล่าสรุปให้ฟังนะฮะว่าตั้งแต่มาอยู่บ้านนี้ก็แปลกใจที่คนในบ้านเนี่ยยังทะเลาะเบาะแว้งกันเกือบทุกวันทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะอะไรกันเลยเมื่อก่อนจะย้ายมาเนี่ยทุกคนก็อารมณ์ดีค่ะรักใคร่ปรองดองกลมเกลียวกันดีวันต่อมาคุณอาพิสมัยก็คุยเรื่องนี้กับสามีของแกแต่ว่านะชาติซึ่งเป็นสามีของแกกลับคิดนะฮะว่าเป็นเรื่องงมงายไร้สาระ นาอ้อยก็เห็นด้วยนะบอกว่าเออไร้สาระจะมามัวแต่คิดเรื่องพวกนี้ไม่ต้องทำงานกันก่อนที่คุณนิดจะเปิดเทอมพี่นกน้องชายสามีของคุณนาพิสมัยพาซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของปรากฏนะคะว่าขากลับเนี่ยรถเข้าซอยมาจนถึงหน้าบ้านอยู่แล้วแต่บังเอิญค่ะว่ามีรถกระบะคันนึงโผล่มาจากหน้ า, าปากซอยข้างถนนอย่างรวดเร็วแล้วก็กระทันหันโดยไม่หยุดชะลอที่ปากซอยสักเล็กน้อยก่อนนะคะ รถมอเตอร์ไซค์ของพี่นกก็เลยหักหลบมาทางขวาแต่ว่าขณะนั้นก็มีรถตู้ทางขวาวิ่งสวนมาเช่นกันรถตู้ทางขวาเนี่ยชนรถมอเตอร์ไซค์ที่คุณ น, นิดแล้วก็คุณ น, นกเนี่ยอย่างแรงจนได้ยินเสียงดังโครมสนั่นลั่นซอยพร้อมกับเสียงคนกรีดร้องโชคดีนะคะที่คุณ น, นิดกระเด็นตกไปข้างทางได้แผลแค่ถลอกแล้วก็เลือดไหลเคล็ดขัดยอกนิดหน่อยแต่ว่าในขณะที่พี่นกเนี่ยถึงกับหัวแตกแล้วก็แขนหักกันเลยทีเดียว เมื่อคุณนิดกลับไปที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ยังคงตามข่าวเรื่องบ้านของคุณนาพิสมัยอยู่เสมอด้วยความอยากรู้เรื่องเลขอาถรรพ์สแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงด้วยพี่นกเข้าเฝือกอยู่นานหลายเดือนส่วนนาอ้อยกับคุณนาพิสมัยเนี่ยก็ทะเลาะกันรุนแรงเรื่องเงินเงินทองๆจนนาอ้อยย้ายออกไปอยู่ที่อื่นพอย้ายไปไม่นานก็หายป่วยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ไปทางานเป็นแม่ครัวตามเดิม อีกสามสี่เดือนต่อมานาพิสมัยก็เอาช่างเสริมสวยคนใหม่มาอยู่ด้วยที่บ้านอยู่ได้สองเดือนค่ะช่างเสริมสวยกับสามีคุณนาพิสมัยก็มีอะไรที่ลึกซึ้งกันจนคุณาพิสมัยจับได้ก็อารวาและค่ะมีการตบตีกันสามีคุณนาจะเข้ามาห้ามก็เสียหลักตกบันไดหัวแตกคุณนาโทรมาเล่าเรื่องราวให้แม่ฟังว่าน่าจะเป็นเพราะอถันเลข13าที่ทาให้เกิดเรื่องหายนะเช่นนี้ คุณแม่ก็คล้อยตามด้วยเพราะว่าแม่บอกว่าคุณพิสมัยเนี่ยอยู่กับเนอ้อยและก็คบกันมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นรวมเวลาก็2ีปีกว่าแล้วแล้วก็เป็นเพื่อนที่รักกันมากไม่เชื่อที่จะเลิกคบกันเพราะเรื่องเงินไม่กี่พันบาท ส่วนสามีของคุณนาพิสมัยก็ไม่ใช่คนเจ้าชูนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีช่างสวยๆอายุน้อยๆมาอยู่ด้วยกับคุณนาพิสมัยบ่อยๆก็ไม่เห็นมีเรื่องที่จะเป็นแบบชู้สาวหรือว่ามีความสัมพันธ์ลึกซื้อกันซึ่งตัวคุณนิดเองก็พลอยไปได้รับเคาะจากอิทธิพลแรงอาถรรนั้นด้วยคุณแม่ก็เลยขอให้หนาพิสมัยเนี่ยย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นก็ได้ข่าวว่าแกย้ายนะแล้วก็ปิดร้านด้วยเพราะว่าเสียใจยังไม่หาย สามีแกก็มาง้องอนค่ะแต่ว่าแกก็ไม่ยกโทษให้คุณอาพิสมัยทำใจอยู่ครึ่งปีก็เลยไปเปิดร้านใหม่อยู่อีกแห่งนึงแกเริ่มต้นชีวิตใหม่ในบ้านใหม่ซึ่งคุณอาพิสมัยเอ ง, เองนะคะก็ได้นำเลขที่บ้านค่ะไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเลขาศาสตร์ตรวจสอบก่อนอย่างดีแล้วด้วย ตอนที่คุณนิดได้พบกับคุณนาอีกครั้งเมื่อไม่นานก็เห็นว่าแกมีความสุขมากและก็กลับมาคบกับคุณนาอ้อยอย่างเดิมแถมยังเริ่มชีวิตรักใหม่อีกครั้งกับผู้ชายคนใหม่ด้วยซึ่งคุณนิดบอกนะคะว่าก็อดคิดไม่ได้ละค่ะว่าถ้าทุกคนยังอยู่ที่บ้านเลขที่ซึ่งบวกกันได้สิบสนั้นต่อไปจะเกิดเหตุวุ่นวายเดือดร้อนอะไรกันอีกและมรสุมชีวิตของคุณนาพิสมัยในช่วงนั้นเป็นเพราะเรื่องเคราะห์กรรมหรือว่าเรื่องแรงอาถรรพ์กันแน่ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยทุกๆคลิปนะคะเราก็ไม่มีเจตนาที่จะชี้แนะนะคะหรือว่านําทางให้คุณผู้ฟังเชื่อหรือว่างมงง่ายนะคะในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังรายการของเราด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณทุกๆการติดตาม ใน channel พระเจอผีฝากอีกหนึ่งเพจด้วยนะคะพบกับข่าวสารแล้วก็เรื่องราวที่เราจะมาอัพเดตความเคลื่อนไหวกันที่ facebook com slash พระเจอผีด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ